สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับวันนี้เราอยู่ในชีวิตเปเยซูตอนที่สี่ร้อยสี่สิบสองอยู่ในการเตรียมร้นด้วยเพยื่นยานบริสุทธิ์แต่วันนี้เองนั้นผมขออัญเชิญพระโอชณะของพระเจ้าในพระธรรมโครศสีบทที่สามข้อสิบหกพระธรรมโครศสีบทที่สาม tackled. ครับมีคนถามว่าการเปี่ยมล้นด้วยวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจุดสุดยอดของการเปี่ยมต้นนั้นคืออะไรหรือใช้คําว่าพีกนั้นคืออะไรพี่น้องครับผมอยากจะตอบพี่น้องว่าในโภชนะของพระเจ้าเท่าที่ผมได้ศึกษามาพีกของการเปี่ยมร้นหรือจุดสูงสุดของการเปี่ยมร้นก็คือชีวิตที่บริสุทธิ์ครับ ชีวิตที่บริสุทธิ์นั้นแสดงออกจากภายในสู่ภายนอกชีวิตที่บริสุทธิ์นั้นมีชีวิตอยู่ภายใต้การควบคุมของพิญาณบริสุทธิ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับอย่าลืมนะครับว่าการเปี่ยมด้วยผูอิงญาณบริสุทธิ์นั้นมีความหมายว่าชีวิตของเรานั้นอยู่ภายใต้การควบคุมครอบครองของพิญาณบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็ไม่ใช่มาราตานแต่เป็นผู้ิงญาณบริสุทธิ์ครับ และส่งผลนะครับส่งผลชัดเจนครับพี่น้องส่งผลชัดเจนต่อเซลล์คอนโทรลเซลล์คอนโทรลก็คือการควบคุมตัวเองหรือการบังคับตนซึ่งเป็นผลของผู้ิญงญาณบร์สุดประการสุดท้ายนะครับอันที่เก้าพี่น้องครับเรื่องการควบคุมของผู้ิญญาณบร์สุดที่มีต่อชีวิตของเรานั้นส่งผลโดยตรงต่อ ก, การบังคับ เซลฟ์คอนโทรแล้วทําให้เรานั้นเกิดความสัมพันธ์กับพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์เกิดความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าและในขณะเดียวกันก็เกิดความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับเพื่อนมนุษย์อย่างเห็นได้ชัดนะครับสังเกตดูเห็นได้ชัดพี่น้องครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาดูว่าการเบี่ยมล้นด้วยพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์นั้นทําให้เราจะต้องมีชีวิตที่บริุ เช่นเดียวกับวิญญาณซึ่งพระองค์บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์วิญญาณก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเปลี่ยมล้นให้เป็นเหมือนพระเยซูเพราะฉะนั้นนะครับในความบีตอนนี้เราจะเห็นผลของการเปลี่ยมล้นในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับผลเก้าประการในกาลาเทียบทที่ห้าข้อยี่สิบสองสิ่งที่เน้นก็คือว่า ด้เพื่อนยามาิสุดและผลเห็นได้จากสัมพันธภาพของการเปลี่ยมลน้นนี้สัมรรธภาพที่ดีของเรากับพระเจ้าสัมพันธภาพที่ดีของเรากับเพื่อนมนุษย์นะครับที่นี่เราเห็นผลการเปลี่ยมลน้นในโครโมโซมที่สามข้อสิบหกนั้นมีอยู่สี่ประการด้วยกันประการแรกที่หนึ่ก็คือการปราศัยนะครับการปราศัยในเพื่อนบีนั้นจะใช้คาว่า ปลาใสซึ่งกันและกันความหมายก็คือจงให้พระวาระของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่าน ครับกระปลาใสกันและกันด้วยความรักไม่ว่าเราจะสนับสนมกับพระเจ้าลึกซึ้งเทียงใดแน่นแฟ้นถิ่นใดเราก็ไม่สามารถอวดอ้างว่าเราเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณสุดหาเราไม่ได้สนทนาปราศัยกับเพื่อนมนุษย์โดยมีพื้นฐานของความรักอันนี้เป็นเครื่องหมายประการแรกของการเปี่ยมล้นครับก็คือสัมพันธภาพยิ่งกว่านั้นครับมันเป็นสั ม, สมพันธ ภ, ภาพฝ่ายวิญ ญ, ญาณ ทีโชว์หรือแสดงออกมาเพราะเราสนทนาปราศัยกันและสาระของการสนทนาปราศัยกันไม่ใช่เรื่องสัพเพระทางฝ่ายโลกแต่ปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนามส ก, การและเพลงสรรเสริญนะครับเราไม่ได้หมายควา ม, มว่าวิธีปกติในการสื่อสารของคริสเตียนที่เตรียมร้นนเรืญญ่องยันสุดคือนั้นคือร้องเพลงโต้ตอบกันนะครับเหมือนเพลงเอย เพในละครอะไรต่างๆที่ผู้ชายผู้หญิงร้องโต้ตอบกันไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่จะหมายความถึงความสมรรถภาพที่แท้จริงแสดงออกมาด้วยการน้มัสการร่วมกันครับพี่น้องนะครับยกอย่างเช่นเมื่อเราร้องบทเพลงเชิญชวนน้ำมัตการหรือเราอันเชิญพเพื่อชนะเพื่อที่จะเชิญชวนน้มัตการนะครับพี่น้องไม่ครับว่าเพลงเชิญชวนน้มัตการหรือบท จะใช้จุดดีบทที่95นะครับในรเรียนหลายๆลายิการนั้นก็ใช้บทเพลงจุดดีที่แตกต่างกันไปพี่น้องสังเกตนะครับในเช้าวันศุกร์นั้นเราจะมีบทเชิญชวนน้ำมาสการเนี่นะครับคือการแสดงออกถึงการเปรียมรุ่นในพุ่ธมณฑลก็คือว่าเชิญชวนมาเถิดให้เรานมาสการพระเจ้าด้วยกันมาเถิดให้เร า, าร้องเพลงถวายพระเจ้าด้วย น้ำหนึ่งใจเดียวกัน องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เปี่ยมล้นในชีวิตของเรานั้นก็เห็นได้ว่าพระองค์ได้ทรงช่วยเราในการที่เราจะน้มักการเทิดทูนพระเยซูคริสต์เจา้าสำแดงพระคริสต์ให้ประชากรของพระองค์ในทางที่ทำให้พวกเรานั้นซาบสุงใจมีความชื่นชมยินดี ได้เมื่อเขาเปลี่ยนนุนได้เพิ่มยกนโดยสุดซึ่งเป็นผลปฏิการที่สองนี้คือว่าเขาจะมีความสอบอุ่นใจครับเขาจะมีความอึดซาบซึงใจบางครั้งคนร้องเพลงไม่เป็นแต่ร้องไห้ครับี่น้องครับนี่คือการร้อง on him